จาสตราอาวุธเป็นเครื่องปกครองโลกพระพุทธศาสน์ถ้าบรมศาสดาไม่ได้ถืออย่างนั้นถือว่าความละอายต่อบาปคือเฮลิความละโอตปะความเะื่อมกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ถ้าโลกนี่มีทำสองประการมีประจำใจอยู่แต่ละท่านแต่ละคนแล้วเรือนจําก็ไม่ต้องมีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากก็ตั้งแต่เพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าขายเท่านั้น ที่เกี่ยวกับภาษีอากรท่านเหลือนอกนั่นไม่ได้ตั้งเอา้าเพียงสินหา้าท่านละโรคสงบแล้วที่มันล่วงละเมิดสินห้าเพราะอะไรก็พระมันล่วงละเมิดความละไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปนี่เองมันไปล่วงละเมิดสินหา้าเมื่อล่วงละเมิดสินห้าแล้วมันก็กระพือใหญ่ทีนี้มันก็ล่วงไปหมดที น, นั่นนั่นนั่นคำสอนพระพุทธศาสนากฎหมายใดๆก็ต า, ามถ้าตั้งขึ้นมามองดูคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วมันก็ไปไม่รอด จ่มีแต่กฎภายนอกกฎภายในไม่มีกดใจกดใจไม่มีกดใจก็คือละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเทนั้นนายเฉพาะของโรคอยูวนั่นนั่นถ้าโลกมันไม่ย่างอายต่อบาปไม่ไ ม, ม่กลัวต่อบาปแล้วจะตั้งไว้กี่นั้นนั่นมาตรามันก็ไม่อยู่นั่นนั่นแต่ชาวโลกขี้โอไม่ค่อยจะเอาคําสอนในพุทธศาสนามาเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นแว่นดวงใจดวงธรรมเพื่อคำหนึ่งถ้าไม่ลดตําแหน่งโลคโกรธหลงลงแล้ว มันไม่เป็นสุขโลกอันนี้จะตั้งเอาไว้ที่ไหนก็ตั้งเถิดมึงเถอะมันมีอยู่ในใจเพราะมันมีอาฆาตจองเวีนผูกใจเก็บอยู่เหตุกันนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ลดตำเหน่งกิเลสนี่ด้านกิเลส ช, ชาวโลกไม่ลดตำเหน่งเสียเลยเหตุฉะนั้นจึงวุ่นวายกันอยู่ทุกยอมยา่าลัดที่ใดๆก็าตามจะมาประชันขันแข่งวัุทธศาสนาก็ค่ายๆกั่าว่า ว่านำลายขึ้นฟ้ากำฝนโตลมทิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะควรคิดจึงจะเห็นคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มภูมิอย่างไม่สงสัยเลยจะไม่สงสัยคำสอนพระพุทธศาสนาว่าเป็นคำสอนที่ไม่ทันสมัยมันทันสมัยเหลือเกินคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่น ทุกยุทุกสมัยทุกการทุกเวลาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็ไม่ได้มารบล่างพอรอบอรกันเป็นคําสอนอันเดิมอันเดียวกันนั่นแหลนะนะเพราะมันถูกพอแล้วความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเป็นธรรมที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนไม่มียางอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งของใจนั่นนั่นนั่นนั่น นี่นี่นี่นี่คืออะไรนี่ก็คือใจอนั่นก็คือใจนั่นออกไปทางนอกมันก็ไม่ไปนี่ออกไปทางนอกมันก็ไม่ไปมันก็นี่มาหาใจของใครของมันนั่นเองมันก็นั่นมาหาใจของใครของมันนั่นเองนั่นก <BU. S 1> ารเทศก็เทศให้ผู้เทศได้รับฟังผู้ฟังก็มีใจผู้เทศก็มีใจถ้าไม่มีใจก็ปาราบกันไม่ได้ต่างคนต่างมีใจคนาบาปเสียเกลียดผิดมนุษย์พระบรมศาสดาพระมารสอน แปดหมื่นสี่วัฒน์มัง์นพระบรมศาสดาก็สอนใจเราเนี่เองไม่ได้สอนอันอื่นพูดเป็นเอกะในบาตเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวเป็นปัญญาตัวเดียวนอกจากใจไม่มีอันใดจะทําดีให้ใจนอกจากกาก็ไม่มีอันใดจะเบียดเบียนใจได้นั่นนั่นนั่นนั่นคืออะไรนั่นออกไปนอกมันก็ไม่ไปมันก็นั่นมาหาใจผู้เทศมันก็นั่นไปหาใจผู้ฟังเอ ง, เองมันก็นี่มาหาใจผู้เทศมันก็นี่มาหาใจผู้ฟัง ถูกไต่างคนก็แดกต่างได้หนังสือคนละตัวแล้วพระพูทเทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังสอนอยู่สี่สิบ้าพันษาก็สอนใจเท่านั้นคนไม่มีใจคนเป็นบ้าไหวเสียจิตผิดมนุษย์พระบรมศาสดามาได้สั่งสอนเพราะมันไม่มีที่รับคื่นมันไม่มี ศีลก็ศีลใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจละชั่วก็ละชั่วลงที่ใจทำดีก็ทำลงที่ใจดีก็บวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็บวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้บวกดินฝ้าอากาศภายนอกไม่ได้ทำให้ดินฟ้าอากาศภายนอกความดีความชั่วใครเป็นผู้รู้จักก็คือใจนี่เองนั่นนั่นดินฝ้าอากาศไม่รู้จักนะั่นนั่ะ หาพระพุทธพระธรรมสก็หาอยู่ที่ใจเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ไม่เห็นถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้เห็นถ้ารู้ก็รู้อยู่ที่ใจถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ไม่รู้เพราะใจเป็นผู้รู้นั่นโอปัญญโกน้อมเข้ามาใส่ใจปัจจตังหาจักเห็นด้วยตนเองอาการโกไม่มีการไม่มีเวลาคือใจของเราไม่มีการไม่มีเวลามันมีอยู่ทุกการทุกเวลาเนี่ย จะทําดีเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นจะทําชั่วในเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นเรียกว่ามามีการไม่มีเวลาผลของทํำดีทาชั่วมันไปไหนมันก็มาหาใจเราดีๆเองจะพระเจเศ ษ, ษไปทางไหนมันก็ไม่ไปนั่นสมัยนั้นสมัยนี้ก็สมัยของใจที่ทํำดีทาชั่วนั่นเองนั่ง อดีตก็คือใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือใจที่กําลังเป็นอยู่ท่านให้สอนให้พยายามปฏิบัติในปัจจุบัอนอดีตยัง ม, มันล่วงไปแล้วอนาคตยังอนาคตมันยังไม่มาถึงอย่าหวังในอนาคตอนาคตมีแต่บัญชีมันยังไม่มาถึง อดีตมันก็มีแต่บัญชีเพราะมันใช้ไปแล้วอดีตคืออะไรคือใจที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือใจที่กําลังเป็นอยู่ใครเป็นผู้ไปค้นอนดีตมาก็คือใจในปัจจุบันนี่เองใครทีไปพูกไปค้นอนาคตมาก็คือใจในปัจจุบันนี่เองนั่นนั่น น, น่นนัอ่อดีตดีไหมสิ่งที่ดีเราก็จะได้เอาเป็นเรื่องอย่างสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้เอาเว้นอนาคตดีไหม สิ่งที่ดีเราก็ยังไม่มาถึงสิ่งที่ไม่ดีก็ยังไม่มาถึงอดีตสิ่งที่ดีก็ดีไปแล้วสิ่งที่ชั่วก็ชั่วไปแล้วเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตาจึงสอนถึงปัจจุบันนั่นจะอยู่ธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแง่งครครลองในทางพุทธศาส น, นาเลยนะเลยผู้ใดไม่เชื่อธรรมในปัจจุบันผู้นั้นก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้ากี่กี่พระองค์จะมาเทศนาก็ไม่เชื่อเลย พราะไม่เห็นทำในปัจจุบันศีลก็มีในปัจจุบันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ ไ, ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมที่ไหนนั่นนันสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ผิดแล้ไม่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมที่ไหนมันก็เป็นศีรานุสติอยู่ในตัวแล้วนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวนี้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อืม เดีย๋ยวเน่ยพูดเรื่องพระพุทธธรรมพระสงค์เรื่องสีฐานสีธรรมนะัมันก็เป็นศีลานุมันก็เป็นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติอยู่ในตัวแล้วเพราะเราปลารกแต่เรื่องดีเรื่องทำคําสอนของพุทธศาสนานั้นดีบวกดีบวกอยู่ที่ใจใจก็นับวันสูงขึ้นชั่วบวกทั่วก็บวกที่ใจใจก็นับวันต่ําลงนะนอกจากใจไม่มีอันใดจะสูงนอกจากใจไม่มีอันใดจะต่ํา สูงขึ้นในทางดีองค์ท่านจึงทรงสรรเสริญสูงขึ้นในทางชั่วองค์ท่านไม่ทรงสรรเสริญต่ำลงในทางดีต่ำลงในทางชั่วท่านท่านไม่สรรเสรินใครไปทำผิดใครไปทำถูกก็ใจอันเดียวเป็นหัวหน้าเขาพาไปทำตาหูจมูกเล่นมันไม่รับมันไม่ให้ปัดด้วยตาหูจมูกเล่นกายมันก็ไม่รับมันก็ไม่ปัดด้วยก็มาคาใจอันเดียวกันนั่นเองตาไปเห็นรูปส่งลงถึงใจ หูได้ยินเสียงก็ส่งลงถึงใจจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับใจเพราะเขามีหน้าที่รับเมเขาก็ส่งให้ใจเขามีหน้าที่โทรเลขด่วนเขาก็โทรเลขด่วนถึงหาใจตาก็โทรเลขด่วนในรูปมาหาใจหูก็โทรเลขด่วนในเสียงมาหาใจปีนก็โทรเลขด่วนมาหาใจถ้ามันประสบติน่นรถ เวลามันทานอาหารมันก็เทมันก็โทรเลขด่วนมหาใจกายรับเด่นย้อนอ่อนแข็งตากแดด ก, ดก็ดีห่มผ้าก็ดีหรืออาบน้ําเย็นก็ดีมันก็ส่งลงถึงใจใจจะพิจารณาถูกหรือไม่ถูกเขาไม่มาเป็นพยานด้วยเขาก็ไม่ปัดด้วยเขาก็ไม่ปฏิเสธด้วยเขาก็ไม่รับด้วยขึ้นอยู่กับใจอันเดียวจะดีหรือชั่วกอใจเป็นผู้พิจารณาสิเพราะเป็นงานของเธอนัด เพราะเธอเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้บงการเนี่ยเป็นผู้รักษาพระนครหลวงแล้วตาหูจมูกเลี้กายเป็นจังหวัดต่างๆใจเป็นพระนครหลวงตาหูจบูกเลี้ยงกายเป็นเมืองขึ้นของใจแต่เขาเป็นเมืองขึ้นแต่สิ่งที่พอที่จะขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นหมดเวลาเขาฝืนเขาก็ฝืนเหมือนกัน เช่นร่างกายอย่างนี้เวลาเดินไม่ได้เขาก็ไปฝึกเขาก็ฝืนใจจะบอกว่าลุกลุกมันก็ลุกไม่ได้เธอเนี่ยเขาฝืนนะเธนี่ยหูเวลามันหนวกมันไม่ได้ยินได้ยินซักได้ยินซ่าใจจะบอกมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ยินตามเมื่อเวลามันฟางมาแล้วีนเธอจงเห็นซักเธออย่ามีโรคไม่เบียดเบียนเขาก็ไม่ยิ่หนุอมนิ่งด้วยเวลาเขาฝืนเนี่ฉะนั้นเขาจึงไม่ได้รับว่า ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นตาข้าพระเจ้าเป็นหูข้าพระเจ้าเป็นจมูกข้าพระเจ้าเป็นลิ้นข้าพระเจ้าเป็นกายของพยาจิตตราชเน้อเขาไม่ได้บอกนยและเขาก็ไม่ปัดด้วยและเขาก็ไม่อุเบกขาด้วยเมื่อใจไม่รู้เท่าปัญหาของตนก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจทุกทุกอุเบกขาเขาไม่ได้มารับรองด้วยเขามีนาที่อยู่ตามสภาพของกายะสังขาร วัจีสังขารเวลาพูดไม่ได้เขาก็ไม่ช่วยพยากิตราษเออเวลาเจ็ ป, ป่วยลงเอาหน้ามาให้เราดื่มด้วยก็พูดไม่ได้เสียเลยจะใช่วาจามันก็พูดไม่ออกเพราะมันเหนื่อยมากมาพยงตัวช่วยด้วยกระดูถนาเธอรก็พูดไม่ได้เสียเพราะว่าเหนื่อยเต็มทีมันพูดไม่ออก มาช่วยเอาน้าเทใส่ปากให้ด้วยก็พูดไม่ได้มาช่วยพลิกให้ด้วยก็พูดไม่ได้มาช่วยล่างให้ด้วยนอนเต็มขี้เต็มเยี่ยวอยู่เดียวนี่ก็พูดไม่ได้เสียแล้วเวลาบอกได้นะเป็นสถามหนึ่งเวลาบอกยังไม่ได้นะมันก็ฝืนละเชนนี้ใจก็ต้องเป็นที่พึ่งของใจตายคาภาวนาเท่านั้น พระพึ่งกายก็พึ่งไม่ได้พึ่งวาจาก็พกาพึ่งไม่ได้เพราะพูดไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยแล้วพึ่งลมหายใจเข้าออกก็พึ่งไม่ได้เสียแล้วเพราะไม่มีกําลังการหายใจเข้าออกก็มีแต่กิจดวงเดียวก็รู้ตามเป็นจริงสักก็ต้องพิจารณาภาวนาอยู่ในตัวเช็ดลาบในวัฏสงสารอย่าให้ข้าพเจ้ามาเกาิดแก่เก็บตายอย่ามาให้ปกครองตาหูจมูกเลี้ยงกายอีกเถิดนะ ให้เข้าสาู่พระนพานไปซะทำเป็นปรมัตดปรม yes right. well ัตดก็มัดลงที <S <s ่กายวาจาใจพระสูตรก็สูตรของกายวาจาใจเพราะวินัยก็เวินัยของกายวาจาใจพูดเป็นสามพูดเป็นสองก็กายกับใจพระสูตรกายพระสูตรใจพระปรมัตดกายพระปรมัดใจพระวินัยกายพระวินัยใจนี่ถ้าพูดเป็นสองถ้าพูดเป็นหนึ่งก็ปรมัตดก็มัดลงที่ใจพระสูตรก็สูตรของใจพระอริธรรม ก็ลึกล้าลงในใจนี่พูดเป็นหนึ่งยนลงมาแล้วศีลมีตัวเดียวคือตัวใจสมาธิตั้งมั่นตัวเดียวคือสี่ตัวใจปัญญาก็รอบรู้ในใจตัวเดียวตกลองศีลสมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันอยู่ในดวงใจนักหนักนักหนัศาสนาใจศาสนาไหนๆก็มีใจเป็นหัวหน้าแต่ว่าปฏิบัติไปต่างกันเหตุผลของใจอ้างไปต่างกันนักหนักหนั่ น, น, น, น, น นี่นี่นี่นี่นั่นก็คือนั่นใจนี่ก็นี่และนี่ใจนี่ออกทางอื่นมันก็ไม่ไปนั่นออกทางอื่นมันก็ไม่ไปมันก็มาหายใจนี่เองใครเป็นผู้พูดก็ใจเป็นผู้พูดคนตายพูดไม่เป็นนักใครเป็นผู้ฟังก็ใจเป็นผู้ฟังคนตายฟังไม่เป็นเพราะวิญนญาณมันอยู่ในที่นั่นนั่นน่นนั่นี่นี่นี่นี่นั่นออกไปไหนมันก็ไม่ไปมาหาผู้พูดนี่ออกไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้ฟังนัก พระบรมมสาต ร, ราเทศคำเดียวมันถูกวัดไตโรกทาตชาติเปทุกขาอย่างนี้คำเดียวเท่านั้นดิฉันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีชาติชาติดิฉันมันไม่ทุกหรอกเราก็ปฏิเสธไม่ได้อืมชาติเปทุกขาคําเดียวเท่านั้นนะถูกทั่วไตโรกทาตเลยเพราะชาติเป็นทุกชราเปทุกขา เราจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามเพราะความแก่เป็นทุกข์มันนํำพิทุกขังเพราะความตายเป็นทุกข์ผู้ฟังหรือไม่ฟังก็ตามมันก็ถูกหมดทั่วทั้งตจโลกธาตุนักหนักหนันความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์มันก็ถูกทั่วทั้งใจโลกธาตุหมดเธอจะฟังหรือไม่ฟังไม่เป็นปัญหานักมันถูกหมดแล้วนะสักคนในร่างกายมันเป็นทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆร ต, ต, ต, ตั้งอยู่ในกายในเนื้อโรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกาย ดิฉันหรือกระผมไม่เคยเป็นโรคสักทีดอกเจ้าฆ่าหรือครับปฏิเสธได้ไหมนั่งปฏิเสธไม่ได้มันก็ถูกหมดกันนั่นนั่น น, นัถ้าพูดมานี่เนี่ยมันก็ไม่ไยาวเพราะรวมลงมานี่นะที่มันยาวออกไปก็เพราะยาวออกไปจากพูดนี่เองถ้าสั้นก็สั้นลงมาหาใจนี่ถ้ายาวก็ยาวเหยกออกไปจากใจถ้าสั้นก็สั้นลงมาหายใจทำดีมากก็มากมาหายใจทำชั่วมากก็มากมาหายใจนั่ง น, นั่งน่ะนั่งเอาละทีนี้พ อ, อกันแล้ว เวลาสายันตะวันเย็นนี่ให้พอนะเอานะยะทาวาริวหาปูราปะเรปุเรนเิศากะลังเดวเมวะอีโตจินังเฟตาังโุปกคภะติปิชิตังปิชิตังตุมหังเคปเมวะสมิดฉาตุสะเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปะนัสโอยาชา มณิโชติเดโซยัาสัพพิโยยวจนาสปะทุโคระโยสปโรโควินัสสตุมาเตภวตวันทราโยสุขีธีคายโกพออภิวาเทสีลิสะนิจจังุทาปจายโลจัตตารโหตัมนาวัฏทานติอายุวันูสุขังภะรังใจให้พรใจให้พรกายให้พรวายกามันไม่รู้จักกี่หนูอี่เนี่ยอะไรใจก็คือให้พรใจนั่นเองชพราะทางใจโยกาจงเป็นทุกทุกทนหน้าอยู่ทุกเมื่อเธทิน ยืนเดินนั่ง น, นอนหลับตื่นนึกคิดท่านี้เจ้าท่านไม่เปัญญาเสพติดท่านรู้ตามเป็นจริงหมดรู้ตามความรู้เอาปัญญารู้ตามเป็นจริงปัญญาขององค์ท่านมันเหนือความหลงแล้วความหลงของพระองค์ท่านก็ตั้งอยู่ไม่ได้แสงสว่างเหนือความมืดไปแล้วมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉันใดก็ดีถ้าปัญญาขององค์ท่านเหนือความโง่ขององค์ท่านแล้วความโง่ขององค์ท่าน ม, มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้น ถ้าความขยันของเราเหนือความขี้เกียจแล้วความขยันก็ตั้งอยูความขี้เกียจก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมนั่นถ้าความเมตตากรุณาเหนือความโกรธไปแล้วความโกรธก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมนั่นสําหรับเราเนี่ยไม่ต้องพูดคนอื่นละอืัจเหอัตโนนาโถตนเป็นได้เพื่งของตนก็คือใจเป็นได้เพื่งของใจนั่นนอกจากใจไม่มีอันะไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใรจะทําประโยชน์ให้ใจ นอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะรู้เท่าใจรู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าทําตอนนั้นหลงใจตอนไหนก็หลงทําตอนนั้นนั่นั่งนั่งนั่งนันั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้นั่นออกนอกพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงละพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ยืนยันไว้แล้วเนื้อผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมาย ถ้าที่มาถ้ามีเที่ยวหมายอยู่ก็ยังไม่ถูกก็พอมันเหมือนนี่เอง <c oughs> ก็พอมันหมุนนี่เองพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟาดผู้รู้ไปจนไม่มีเที่ยวหมายบ้านท่านก็บอกว่าดิฉันภาวนายังมันไม่ข้ามเวทนาพระเจ้าข้าเออถ้าสาคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นตนต น, เ ป, นเป็นเวทนามันก็ข้ามกันอยู่นะที่นั้นเอง ไม่ต้องทํากิริยาข้ามถ้าสําคัญใจว่าเป็นตนตนเป็นใจมันก็ข้ามใจไม่ได้ถ้าไม่สําคัญว่าใจเป็นตนตนเป็นใจมันก็ข้ามใจอยู่นะที่นั้นเองทำท่านสูงท่านจึงยืนยัน่เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเพราะไม่ยืนยันในผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่ไปตั้งอยู่ในที่นั้นราคะโทสะโมหะก็ไม่ที่ตั้งอยู่ ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นตนไม่สําคัญว่าตนเป็นศูนย์มันก็จบเรื่องกัน น, <laughs> น่ะก็มีแต่สังขารในกองทุกร่ล้วนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เลยท่านพิจรณารูปกายนามกายจะหอไปพผพานด้วยหรือตาหูจะวงเี่นกายใจจะหอไปพผพานหรือไม่ได้หอไปพิจารณาให้เบื่อให้หนายให้คลายความหลงของตนนั่นเองไม่ใช่อะไอื่นน่ะ คนที่หลงเคยหลงมาตากูหูกูจมูกกูเลี่ยนกูกายกูใจกูผู้รู้กูอะไรต่ออะไรของกูของกูอยู่มันก็เหมือ น, นนกเขาไปจับต้นไหนก็ของกูของกูอยู่อันนี้ไม่ใช่ของพวกเราอันนี้ของอันนี้เป็นของบูชาเป็นเป็นน้ําลายของพรพุทธพระธรรมพระสงค์บูชาพระธรรมพระสงค์ เอาน้ำลายพระพุทธประธรรมประสงค์ดูบูชาพระพุทธประธรรมประสงค์เอาไม้สาบูชาไม่ใช่ของพวกเราถ้าถือว่าเป็นของพวกเรากิเลสมันก็ใหญ่โตของฐานเนี่ยนั้นนี่นีนนน่ก็ไม่ว่าแต่เท่านี้ทั่วทา้งไตรโลกธาตุเป็นน้ําลายของพระพุทธศาสนาหมดเพราะท่านคลายเชิงแล้วมันเหลือแต่พวกเราเน่ยเป็นหนอนมาแย่งกันอยู่นี่ <S <S <S 2> <S 2> ในไตโรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดแล้วช่างวิญญาณกระซับ ทั้งสักวิญญาณนะครับทั้งสังหาเนี่ยมาครับทั้งอัศสังหาเนี่ยนี่มาครับความรู้ใดได้เป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศสาสนาด้วยไม่รู้ตัวเป็นเมืองขึ้นของพระเนานด้วยสมบัติพัฒฐานที่ไหนๆก็เป็นเมืองขึ้นของพระพานนับพอไปรวมคิ ว, วกันทีพ่พระณนผานพอถึงพระเนผานแล้วก็ทิ้ตงต <laughs> งูมตามตูมตามตูมตามอะไรทิ้งรูมตามตมตามว่าในโลกนี่ย พวกกิเลสมากก็สืบโรคไปพวกกิเลสน้อยก็สืบพระนิพพานไปนะทําไมเขาจึงไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาพราะบาดลเมย์เขายังอ่อนอยู่ทําไ ม, มาแมลงวันจึงไม่เลื่อมใสเกษรดอกไม้ก็พระบาราเมย์มันยังอ่อนอยู่ทําไ ม, มาแมลงผู้แมลงพึ่งจึงไม่มาเข้าเป็นพักกับมแมลงวันเพราะใจเขาสูงเลยแล้ว เขาก็ว่าประชาธิปไตยของเขาเหมือนกันมาแรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันเหมือนกันมันก็ว่าโรคทิพของทิพมันอันนั้นมันก็ว่าโรคทิพของทิพมันเหมือนกันนั่นนั่นก็ว่าสังคมนิยมมันเหมือนกันนะ่นมาแรงวันมันก็บอกว่าสังคมนิยมมันเหมือนกันพระบรมศาสตรานักเพศเอกไม่ใช่จะไปตอบทุกเรื่องเน้อองค์สมเด็จพระบรมศาสดา คนตายแล้วศูนย์ไหมคนตายแล้วเกิดไหมมีบุญไหมมีบาปไหมท่านก็เน่งเลยท่านเน่งทําไมท่านจนมุมหรือท่านมาจนมุมหนอกค่าๆกะว่าข่าวโลมาศาสตดากะผมตาบอดลแล้วเราเรียนวิชากะผมจะมาเรียนวิชาสวนเข็มค่าๆกะว่าอย่างนั้นแหะท่านก็เลยไม่พูดทีนี้ ไม่ใช่ท่านจนมุมมันไม่มีประโยชน์แก่ผู้เทศและไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังอ่ไม่ใช่จนมุมไม่ใช่พระบรมศาสาราเขาถามอะไรก็จะบอกหมดแต่ท่านไม่บอกสิ่งที่ไม่ควรตอบท่านก็ไม่ตอบเพราะมันไม่มีเจประโยชน์แก่ท่านและไม่มีประโยชน์แก่ผู้เข้าฟังไม่ใช่ท่านจนมุมท่านรู้จักกาละเทสะพวกเราเนี่ยรีบตอบเขาเก่งจะไม่ชนะเขาไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะ ตอบไปเลยตะพืดตะพืพวกเราไม่เหมือนพระบรมศาตราพระบรมศาตราท่านมองเห็นคนนั่นถ้าเราจะเทพไปมันจะเข้าใจไหมท่านก็มองเห็นไอ้พวกเราไม่รู้เขาไม่รู้เขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ต, ตะพื้นตะพื้เลยพวกเราทำนาหวานทำนาเมืองทีนี่พวกเราออกจากนี่จะไปจะไปมุกดาหารใช่ไหมเออไปสวัสดีเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ย เออพอดีละเตรียมตัวห้าโมงก็ถึงไปสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวภาวนาไปเนอะภาวนาไปเคยภาวนาอะไรก็ภาวนาต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นรถด้วยรถชั้นที่หนึ่งคือหัวใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นรถคันนี้ด้วยนะ เกียดมียศทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็หวังเพือ่ออยากจะทราบคําสอนของพระพุทธศาสนาว่าเท็จจริงเพียงใดเพราะในเวลานี้พวกเราก็โกลมานอยู่บ้างเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพวกเราชาวพุทธอยู่ห่างเหินพระพุทธศาสนาพวกเราชาวพุทธเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี่อยู่ในตัวหนังสือไอ้ที่แท้มันอยู่ในหนังสือใจพวกเรา รักษาศีลก right ็ค like ือรักษาใจของเรานั่นเองก็คือรักษากายของเรานั่นเองก็คือรักษาวาจาของเรานั่นเองนี่พูดเป็นสามถ้าพูดเป็นสองก็คือรักษากายกับใจนั่นเองถ้าพูดเป็นหนึ่งก็คือรักษาใจนั้นเองพระพุทธระธรรมพระสงค์อยู่ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ที่ใจถ้าเราเอามาไว้ที่ใจก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เอามาไว้ที่ใจก็ไม่อยู่ที่ใจก็อยู่ที่ตัวหนังสือภายนอก พุธทธธรรมสงฆ์พุโทโธแกลผู้ละชั่วทำดีธรรมโอทรงไว้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆปฏิบัติละชั่วทำดีก็คืออยู่ที่ใจถ้าดาน้อมลงมาเป็นหนึ่งถ้าเราขยายออกเป็นสองก็อยู่กับกายกับใจถ้าเราขยายออกเป็นสามก็อยู่กายวายใจใจถ้าเราขยายออกเป็นสีก็อยู่ธาตุดินน้ำไฟลมมชนกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่าธาตุสี หรืออริยาาสัจสี่ถ้าขยายออกเป็นห้าเรียกว่าอยู่ในรูปขันเวสนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าขยายออกไปเป็น6กก็อยู่ที่ตาหูจมูกเล่นกายใจ น, น่ถ้าขยายออกเป็นเจ็ดก็อยู่สัตวาเจ็ดถ้าขยายออกเป็นแปดก็อยู่นะรัตถังคีกามฆาแปดถ้าขยายออกเป็นเก้าก็อยู่มรสีผลสี่นิพพานหนึ่ง ถ้าขยายออกเป็นสิบก็กุศลก็มบทสิบอกุศลก็มาบทสิบถ้าย่นลงมาก็ลงมาหาใจความดีทั้งหลายเราทําขึ้นทําแล้วก็มาหาใจความชื่อว่าทําขึ้นก็มาหาใจไม่ได้ไปหาอันื่นพอใจเป็นผู้ทําขึ้นจ่อปฏิเสธไม่ได้ใจย่อมเป็นเทพึ่งของใจใจก็เวียนเวียนใจใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นนา น, านันถ้าทําผิดนั่นักงนั่นนน นั่นคืออะไรนั่นใจนี่คือนี่นี่อะไรคือนี่ใจทีนี่บาทท่านก็จะวิจารณ์หลวงปู่เน้นอหลวงปู่ทำไมสักลา ย, ลายไม่ใช่นักเพลงโตดอกหรือไม่ใช่นักเพลงโตหรอกรัชกาลที่หกสมัยผู้เกิดปีกุนสอง4ันสี่รอยห้าสิบสี่เลิกสักขาลายแล้วแล้ว ก, ก็เลยมาสักแขนเพื่อหมาย เพื่อหมายเป็นเพศผู้ชายเขาบอกว่ามึงนี่นิสัยเป็นผู้หญิงมึงต้องไปสักเสียเพราะพวกเราไม่สักขาลายพวกเราเมื่แล้วขาลายไม่ได้สักแล้วหมายเพศผู้หญิงสักมึงกูดูข้างหลังมึงเหมือนกับคนผู้หญิงสักเพศผู้ชายซะแต่มได้อยู่ยงคงอพันธน้องปู่ไม่เชื่อเลยอยู่รงคงกับพันน้องปู่เป็นคนชาวนาะไม่ใช่เป็นคนพ่อข้า ไม่ใช่เป็นคนก่อขายเข่าโปงวงศ์ตระกูลของหลวปูมีวัดพวกทหารก็มีตำรวจก็มีทหารอย่างสูงก็ผู้บังคับกองตำรวจอย่างสูงก็นายร้อยเอกส่วนผู้ใหญ่บ้านกำนัะมาก ที่พวกนักบวชก็มากพวกชาวนาก็มากพวกข้าขายไม่ค่อยมีพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดุมเราก็เหมือนอยู่คงเทีบด้วยพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้ดือ้อเราก็เหมือนหมดม้อยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครรุกร้าชาวพุทธกรรอันไม่บริสุทธิ์จะตามถึงตลอดกาลนานเลย เนต่อไปพวกเรารักษาศีลเ่นนรักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนั่นเองถ้าชาวโลกไม่ศีนห้าแล้วทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีโซนทรวนก็ไม่ต้องมีพวกเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนะั่นคุกก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีอยู่สะดวกสบายยิ้มแย้มแจ่มใสสุขชำรานานใจคำว่าเวทมนีเวทมณีปาราที่ปาตา เวนมณีปานาธิปาตาเป็นข้อห้ามเวนะมณีเว้นแล้วสิกขาประทางสมาธิามเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใจอธินาทานาเวระมณีการรักของไม่มีเวนอันนี้พ้นไปแล้วสิกขาประทางสมาเป็นรวมตามเสมสเวขาจาราเวระมณีเว้นแล้วซึ่งล่วงละเมิดในเชติของท่านผู้อื่นในทางกา ร, ร ม, มารมณ์ มุสาวาตเว้นแล้วเวนมาเนี่ซิก้าไปทางสมานชีรายเป็นซิค้าบทหนึ่งหนึ่งชีรายมีอะไรงยะเขา ท, ทาขําไม้ทําไมเขาทําให้คนว่ากินใครให้เป็นว่าไม่กินหรอกก็กินแล้วก็มเมาเป็นว่านะ <c oughs> เป็นเครื่องทดสอบคนว่าใครเป็นว่าก็ต้องกินและแต่ก่อนรถปูก็เป็นว่าเหมือนกันจะลถปู่ยุดแล้วหายเป็นว่าแล้วตอนนี้ ที่นี่ศีลห้าประการถ้าเราแม้ล่วงละเมิดมันก็เป็นศีลตัวเดียวอยู่เป็นเชือกคาดเกลียวอยู่ที่ดวงใจนักนักนัก น, นัก น, นักเบื้องต้นก็นันโมนักโมก็แปลว่าเขอน้อมน้อมเดชเพราะพวกมีพระภาคพระรหันต์ตระมาสตระตะเจ้าพระอง์นั้นสามครั้งต่อมาก็พุทธัทงสนังขสามิธรรมังสนังขสามิาสังขังสนังขสามิตุติตติ ว่าให้ถึงสามหมดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจแผ่นดินน้าสองแสนสี่หมืนโยดเขาเอารูประเบิดวารมาโนทําลายแต่จิดใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําทลายไม่แต่จะตายติีกีพบทีชาติก็ไม่หนีจากพระพุทธรธรรมพระสงฆอ น, นั่นพุทธธรรมสงฆ์ทรงอยู่ที่ใจอะไรก็ทรงอยู่ที่ใจหมดนอกมาหาที่ใจจึงเรียวกว่าโอปัญยโกนอกขมาที่ใจที่นี่ ต่อไปก็รักษาศีล น, นี่รักษาศีลก็คือรักษาตัวเองนั่นเองรักษากิตใจนั่นเองนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธ an ังสระนังกัจฉามิธรมังสระังัจฉามิสังังสระนังกัจฉามิทุติยัมเปพุทธังสระังัจฉามิทุติยัมเปธมังสรังัจฉามิทุติยัมเปสังังสรังัจฉามิ ทักยัมปพุทธังสัางกัจามิกียัมปธรรมังสนัางัจจามิยัมปสังังสังัจามิสนัาังเนติังปาาติปตาเวระีสิกขาปทังสมาธิามิ ทินาทานเวระมุณีสิกขาปัตตังสมาธิามิกาเมสุมิชฌาจารเวรุรุณีสิกขาปัตตังสมาธิามิมุสาวาคาเวระ pues มุณ <behold varit. S 1> ีสิกขาปัตตังสมาทิามิ ราเมระยะมัชฌาปามาทัฏฐานาเวระมณีสกาปัทังสมาสิยามิ่ามานีปัญจสิกขาปัทฐานสีเละสุขะิยันติสีเลระโพกสัมปทาสีเลระนิุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย ศีลเป็นเครื่องกําจักจดกิเลสอย่างยาวศีลก็คือพระวินัยเรานี่เองคนเราอยู่ร่วมกันเสีลังโลเกออนุตตะโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกคือเป็นเยี่ยมในหัวใจเรานี่เองอคเโลเกศีละกุโนศีลมีอยู่ในโลกความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้า ใช่าชาติเป็นนกคุ้มก็ระลึกถึงศีลตราลึกถึงความศักดิ์ไฟป่าไหม้มานกคุ้มตัวเล็กๆตั้งสัจจะอธิษฐานเปรวไฟทั้งหลายคุณอำนาจของศีลมีอยู่ในโลกความศักดิ์มีอยู่ในโล ก, ค, โลกคือข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสัจจะบาลเมไฟทั้งหลายจงหลีกไปสัน ต, ติปะคาอาปัตนา สันติปาทาอาวั น, นาณามาตาพิตาจะนิคขันตาปีของข้าไปเจ้าก็มีอยู่ขาของข้าไปเจ้าก็มีอยู่แต่เดินไม่ได้มาตาพิตาของข้าไปเจ้าไปหาอาหารเปลวไฟเอ๋ยจงบันดอนดานลมพัดไปทางอื่นซะลมก็เลยพัดไปทางอื่นนกคุม่ม นี่เป็นสัจปารามีของพระบรมศาสนาที่สร้างสมมาเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีเด่นแล้วศาสนาใดๆก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดโดยไม่รู้ตัว เฉลิมทิศจะมีกี่ร้านาก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวไม่มีกลางวันกลางคืนชั้นใดคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ทําอันนี้เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เทียมในทางสูงเทียมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คํานึงได้หลายทางน้ำห้อยน้องคลองบึงบางต่างๆ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 เอ้าสิ่งไหนที่พระพุทธอค์มาศาสตาไม่ได้สอนไม่ได้มีเลยคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มั่นคงถาวรในโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาแล้ว พระพุทเจ้าองค์ไหนมาตรัสรูลก็มาสอนโลกนั่นเองจึงทรงพนามว่าโล ก, กะเวทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกศรัทธาเทว ม, มนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทางหลายนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นแม่ท่านก็บอกว่าภิกษุอย่าไปเป็นการบ้านการเมืองภิกษุไม่เป็นการบ้านการเมืองจะไปสอนผีเดียวไหนนั่นนั่นนั่นนั่น ทีนี้คำสอนในระหว่างคารวาสองท่านก็สอนแล้วคารวาตทำกระพับพิชุสงด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบ ด, ด้วยเมตตาด้วยวะกีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยเป็นคู่ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าวาันเอนด้วยให้อารมิตถานมีในนี่หมดเ่ย สมณพรามได้รับบำรุงชจนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุลบุตรด้วยสถานหกหนึ่งห้ามกรชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. ้าทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แกม 6. บอกทางสอนให้นั่นนั่นนั่นนั่นอบายมุขเป็นเหือกเป็นเป็นเหตุเครื่องชิบหายหก หนึ่งดื่มหน้าเมาสองเที่ยวกลางคืนมีมดอยู่ในนี้สามเที่ยวดูการเล่นสีเล่นการพนันห้าพบคนชั่วเป็นฤิมเกียรติขนธนทมงานดื่มหน้าเมาไม่โทษทุกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะว่าสสามติดโรคสีต้องตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญา เชี่ยวการคืนเมทัศน์หกเชื่อไม่รักษาตัวเชื่อไม่รักษาลูกเมียเชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความลามาหมากเที่ยดูการเล่นเมทัศตามวัตถุที่ไปรวมหกรำที่ไหนก็ไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นสะเทาที่ไหนไปที่นั้นเตืดเทิงที่ไหนไปที่นั้นเที่ยดูเกลือข้านทํางานเมทัศน์ถก ควบค้นเชื่อเป็นไม่มีโทษตาม อ, อุปกรณ์แ่ครบอบครัวนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นคนลวงเข้า นำให้เป็นนักเตะงเล่นตามพนันนำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาเสงหน้านำให้เป็นหัวไม้เกียดข้าน์ทำงานงานไม่พูดถกมักเคอ้างว่าเงาหนักแล้วก็ไม่ทำงางานมักเคยอ้างว่าร้อนหนักแล้วก็ไม่ทำงางานมักเคอ้างว่าเวลาเช้าอยู่แล้วก็ไม่ทํางานมักเคยอ้างว่าหิวหนักก็ไม่ทํางานมักเคยอ้างว่าระหายนักแล้วก็ไม่ทํางานมักเคยอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วก็ไม่ทํางานผู้หวังเจริญด้วยพ่อกระซับจงเว้นเหตุเครื่องชิบหาย6ประการนี้เสียพระพิถีเส้าเนรมันผ่น มาแล้วนี่สอนธนว่าโต้งโต้งพระพิสุภีว่าอะไรจะไปเรียนการพ น, นันนั่นนั่นนั่นนั่นคสอนใดในใจโลกธาตุจะเสมอเหมือนคําสอนอนุทาศาสนาไม่เมีอหรอกพี้น้องชาวพูดเ อ, อย๋ยงั้นพวกเราข้าง่อดผ่านมาม่วงไปเถือเป็นเป็นของไม่ควรสนใจซะไปสนใจสิ่งอื่นค่าๆเ ข, ข, ข้าไปแก้ ซู้ข้าสุขข้าวสารมาเล็กเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเขีย่ยไปในแปลงอื่นๆนะว่าแล้วก็ไปถือรัฐที่อื่นซะไม่ถือรัฐที่พระพุทธศาสนานั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้นั่นนั่นนั่นอันเดียวกั น, นเอา้าตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีตบใบยาหมุก มันเป็นมนุษย์ในวัตดแล้วมันก็เป็นสวรรค์ในวัตรเหมือนกั น, ม, น, กน ม, มันก็เป็นพรหมในวัดมันก็เป็นพระนิพพานในวัดเหมือนกันนั่นนักมัดมีอยู่ในนี่นีนนนนน่ถ้าถ้าถ้าไม่อย่างนั้นทำไมไม่เอาไปเผาไฟจริงสักนอนเฝ้าอยู่ทำไมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพยเยอะมากงัดนี่ตรงนั้นกันนี่นี่นีน่นี่นี่นนน สำหรับนักทำนักทำที่โทเอกสอบนักทำโทรก็ต้องสอบนักทำตีด้วยสอบนักทำเอกก็ต้องสอบนักทำตีทำโทรด้วยเพราะบางทีเขาร้อนมาถามเหมือนกันงั้นสิงนี้ให้มันเป็นประโยชน์แก่พวกเราพระพุทธศาสนาเอามาสอนหมดแล้วพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วต้งร้อยโกรธพระองค์ก็มาสอนคำเดียวกัน ไม่มาคัดค้านพรบกันเลยไม่ได้แต่งพรบกันเลยเพราะเป็นธรรมมาธีปฏ<บ>ิปไต่เพล่ธรรมมาธิ่ปฏิยของพระพุทธศาสนาอัตตาที่ปฏยความเห็นตนเป็นใหญ่โลกาที่ปฏยความไปความเห็นโลกเป็นใหญ่ธรรมมาที่ปฏยเห็นธรรมเป็นใหญ่กฎหมายกฏหมู่กฏพักกฏพวกตั้งขึ้นมามองดูคําสอนพระพุทธศาสนาไปไม่รอดพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่ง ของชาวโลกระดับน้ําก็เป็นหนึ่งของชาวโลชกชาติเกาะซ่าจะทิ้งระดับน้ำไม่ได้จะทิ้งเครื่องวัดเครื่องตวงไม่ได้ไปไม่รอดแต่ละคนแต่ละคนไม่มีสิ่งที่สําคัญเท่าใจใจเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าใจผิดมันก็ผิดหมดถ้าใจถูกมันก็ถูกหมดถ้าใจถูกตอนไหนทําก็ถูกตอนนั้น ถ้าใจผิดตอนไหนทำก็ผิดตอนนั้นรักษากายก็รักษาอย่างหนึ่งรักษาใจเป็นของสำคัญมากถ้ารักษาใจแล้วมันก็รักษากายรักษาวาจาอยู่ในตัวใจไม่รักษาก็มีแต่ใจพระรันมุคคนผู้ยังไ่พ้นทุกข์ก็จำเป็นต้องรักษาใจผู้พ้นไปแล้วท่านไม่รักษาใจเพราะใจของท่านไม่ผิด จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนแล้ว ก, ก็นําสุขมาให้จิตตัฏฐะตัมมัโถสาธุฝึกฝนจิตนั่นแหละเป็นดีฝึกฝนจิตด้วยทานวัตสีวัตภาวราวัตอารมณ์ของจิตของผู้ถือว่ามีของผู้ถือว่ามีบุญมีบาปเป็นอารมณ์ของบัณฑิตเป็นอารมณ์ของนักปราช อารมณ์ผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญไม่บาปก็คือเป็นอารมณ์บาปเราดีๆนี่เองผู้ยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือผู้ยินดีในอารมณ์ของฐานวัตศีลวัตภาวนานวัตรนั่นเองผู้ไม่ว่ายินดีในพุทธรรมสงฆ์ก็ตรงกันข้ามมัคคารมานาธรรมามัคคารมพะนึกไปในทางศีลก็เป็นศีลานุสติ ถ้าลึกไปถึงฐานก็เป็นจากาลุสติถ้าระลึกถึงไปถึงพระพุทธธรรมประสงค์โดยตรงก็เป็นพุทธาธรรมาสังคารุสติอยู่ในตัวสิ่งไหนที่เป็นบุญทิ้งนั่นก็คือพุทธาธรรมาสังคารุสติอยู่ในตัวแล้วจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหาพระพุทธศาสนาบัญญัติบุญถูกาศาสนาอื่นๆบัญญัติบุญไม่ถูก สิ่งที่เป็นบุญบัญญัติว่าเป็นบาปก็มีสิ่งที่เป็นบาบัญญัติว่าเป็นบุญก็มีเพราะบัญญัติผิดเพราะไม่เหมือนพระสมานพระพุทธเจ้าพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นพระทหารอย่างเต็มที่เป็นพระทหารเอกในโลกอย่างเตมที่ใครจะมาบัญญัติแข่งก็ไม่เท่าออพระบรมศาสดาใครจะมาลดพ้นแข็งก็ไม่เท่าพระบรมศาสดาเป็นศาสดาเอกในโลกทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วย แม้จะล่วงไปแล้วสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็ตามคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันอยู่ทุกเมื่อมีอยู่ทุกการที่มันไม่มีอยู่ในทุกการก็เป็นการของสัตว์โลกต่างหาแต่คำสอนของพุทธศาสนามีอยู่ทุกการที่ว่ามีการมีเวลาก็เป็นการของโลกไม่ใช่การของพระพุทธศาสนา โลกที่ห่างเหินออกนี้จากธรรมก็จัดเป็นการอ้าวที่แท้ธรรมของพุทธศาสนาไม่ได้บกพร่องไปไหนไม่ได้หนีไปไหนพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็เต็มอยู่ตามเดิมแต่อาศัยมนุษย์ทั้งหลายที่ห่างเหินออกจากคําสอนของพุทธศาสนาต่างมนุษย์สาธิวาดามารพรมทั้งหลายทําในส่วนไหนก็มีอยู่ทุกการทําบาปส่วนที่เป็นบาปก็มีอยู่ทุกการ ส่วนที่เป็นบุญก็มีอยู่ทุกการส่วนที่เป็นวัคผลก็มีมิ่านก็มีอยู่ทุกการมีเป็นของกลางอยู่อย่างนั้นเช่นหนองน้ามันก็มีอยู่ทุกการไฟมันก็มีอยู่ทุกการธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่ทุกการส่วนผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่นันมันเป็นเรื่องหนึ่งอีกผู้ที่จะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเป็นจริง จะสิ้นความสงสัยของตนตามเป็นจริงหรือไม่มันเป็นเรื่องหนึ่งอีกทำท right ั aces, ้งหลายมันม VI. ีอย <creating> ู่ทุกการแล้วเราจะทำให้มีอยู่ทุกการหรือไม่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วเราจะพยายามละอยู่ทุกการไหมอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งถ้ารู้ตามเป็นจริงตอนไหนๆตอนนั้นมันก็พ้นไปพ้นจากความผิดไปรู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยก็ลดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงด้วยเป็นชั้นๆไป จนถึงที่สุดทุกโดยชอบรู้ตามเป็นจริงแบ่งออกเป็นสี่จำพวกพระโสดาบันเขรู้ตามเป็นจริงชั้นพระโสดาบันพระคาถาคามีก็รู้ตามเป็นจริงของพระคาถาคามีพระอนาคามีเขรู้ตามเป็นจริงของพระอนาคามีพระอรหันเขารู้ตามเป็นจริงของพระอรหันพระพเจกขารู้ตามเป็นจริงของพระพเจพระสมมานพระพุทธเจ้าก็รู้ตามเป็นจริงเป็นขั้นที่หนึ่งของโลกและนอกโลกอีกด้วยผู้ประพฤติธรรม ย่อสามารถรู้ทำได้ตามสติกำลังแต่ละท่านแต่ละคนไม่เป็นหน้าที่จะมีตำรวจกองปราบปรามไว้ณโมตัวเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสี่พันทำอาคารก็ได้พุทธังตัวเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสีพันทำคารก็ได้ก็แย้งไม่แต่ไม่ต้องการท่าดินอันเดียวแปลให้ครบแปดหมื่นสี่พันทำอาคารก็ได้น้ําอันเดียวก็เหมือนกัน ไปอันเดียวก็เหมือนกันลมอันเดียวก็เหมือนกันดินอยู่ที่ไหนดินก็อยู่ที่กับเราไปไหนก็เอาไปด้วยผมขนได้ฟันทั้งเลือดกระดูกเยอะในกระดูกมากเพราะย้ายาพังฝืนไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารไปอาหารไม่อาหารเก่าไปที่ไหนก็เอาดินไปด้วยก็เยียบแผ่นดินไปเองตายแผ่นดินไปเองจะขึ้นไปสูงขนาดไหนก็ขี่ขี่ดินขึ้นไปเช่นขี่เครื่องบินขึ้นไปฟ้าอย่างนี้ก็เหมือนกัน ธาตุที่เป็นลักษณะของแข็งก็ก<ๆ>็เป็นดินด้วยขี้ดินก็เอาไปด้วยคือพุองขนได้ฟันนั้นเงนกระดูกกันนั่นธาตุน้ำก็เอขึ้นไปด้วยธาตุไฟก็ขึ้นไปด้วยทีนี่ธาตุไฟกิเลสก็ไปด้วยถ้าผู้มีกิเลสถ้าผู้ไม่มีกิเลสมากก็ไม่เอาขึ้นไปมากผู้มีกิเลสน้อยก็เอาขึ้นไปน้อยธาตุไฟราคะโทสะโมหะเป็นธาตุไฟอันละเอียดน่ะธาตุไฟธรรมดาเป็นธาตุไฟหยาบทําไมโลกจึงแห้งแล้งแท้ พระเทวบุตรเทวดาไม่นิยมชมชอบไม่น่าสละเสริญเพราะชาวโลกอยู่ห่างไกลจากพระพุทธธรรมประสงค์มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งเลยเห็นแต่กระเป๋าตัวเองชาวโลกคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมึงเพราะขาดอะไรเพราะขาดเมตตาปรนาราธิบาท ผู้ที่จะรักษาปานาที่บาตรได้ก็พระภูมิผู้มเมตตาอจินนาทานก็เหมือนกันตาเวสเวาชฌานก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันสุราก็เหมือนกันเศรษวกฏข้อต้อนเป็นของสําคัญมากคนที่ข่ายุงได้ก็สามารถถ้าข้าตักแต็นได้ถ้าข่าตักแต็นได้ก็สามารถใหญ่กว่านั้นไปเอง ถ้าสามารถฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ก็สามารถฆ่าหมูฆ่าม้าได้ถ้าฆ่าหมูฆ่าม้าได้ก็สามารถฆ่าคนได้สามารถฆ่าโคฆ่ากระบือได้ถ้าฆ่าโคฆ่ากระบือได้ก็สามารถฆ่ามนุษย์ได้ถ้าฆ่ามนุษย์ได้ก็สามารถฆ่าบุคคลผู้มีคุณได้ฆ่าบุคคลผู้มีคุณได้ก็สามารถฆ่าวิดาบรรดาพิกสุสัมณีได้เป็นลำดับหนึ่งฆ่าให้คนอื่นตาย แต่ว่าเราก็ตายจากสินทำเองด้วยก็ ก, ก็จะว่าเข้ากับว่าค่าเรารักของท่านผู้อื่นก็เท่ากับว่ารักของตนเพราะเวียนไทยก็จะตามมาถึงเขาจะลักของตนเองเหมือนกันหนักค่าคนอื่นก็เท่ากับว่าค่าชีวิตของเราเพราะมีอายุสั้นห น, นัพวกที่มีอายุน้อยก็คือพวกเบียดเบียนสัตว์แต่ชาติก่อนหรือในปัจจุบั น, นชาติ อายุยืนแต่ถ้าว่ามีโรคเบียนเบียนมากก็พระเบียดเบียนสัตว์ให้ถึงทุกพล ร, รยาทุกลำบากเคี่ยนด้วยตีด้วยสารพัดแต่ไม่ถึงกับทำให้ตายมากแต่ก็ต้องมีโรคมากผู้จะเกิดตระกูลสูงอ๋อเยี๋ยวะผู้มีอะไรไม่มีคนเคารพเขาคอยแต่จะรักศกจกหอ ก็เพราะโทษอธินนาทานเคยรักเขาเพราะเคยสร้างเวรไว้เวรมะนีเวรมณียังไม่ทันเว้นผู้ที่ไปทางไหนมีแต่คนชอบต้มตุนก็เพราะเคยพูดุกสามักลืมมักหลงก็เพราะโทษของสุราเวระยะ ศีลแต่และข้อแล้วก็มันปิดเวรแต่และข้อแล้วข้อเหมือนกันศีลังโลเก อ, อนุตตะโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกก็คือเป็นเยี่ยมในโลกหัวใจนั่นเองศีลมีอยู่ในที่ใดสมาธิก็มีอยู่ในที่นั้นปัญญาก็มีอยู่ในที่นั้นคนไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้คนไม่ตั้งมั่นในศีลก็รักษาศีลไม่ได้คือสมาธิ แล้วลึกเสียของตนแล้ลึกถึงเสียงของตนก็ไม่มีจาคะคือจาคะรุสติไม่ได้ลึกถึงฐานของตนเมื่อมีอันหนึ่งมันก็มีอันหนึ่งหมดถ้าว่ามีอันหนึ่งมันก็ไม่เชื่อมโยงถึงกันการรักษาศีล ร, รักษาความโหดร้ายการให้ทานบริจาคทานบันเทาความตันีเนี้ยแน่นการภาวนาบันเทาความหลง จนถึงให้แท่งหายไปถ้าชนะความหลงแล้วก็ไปได้มาหลงเองความหลงเป็นของละเอียดมากจะพัฒนาความหลงแต่นี่ไปจนถึงจนถึงวันตายมันก็ไม่จบหลงหูหลงตาหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจหลงธรรมอารมณ์หลงเดินยืนหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงนึกหลงคิดหลงพูดหลงลาบหลงรดหลงสรรเสริญ หลงสุขหลงทุกข์หลงอุเบกขาหลงอดีตหลงอนาคตหลงปัจจุบันหลงนึกหลงคิดความหลงเป็นเป็นกิเลสอันละเอียดมากถ้าชนะความหลงในสิ้นเชิงกิเลสทางงหลายก็ดับไปโดยสิ้นเชิงความหลงในชั้นพระโสดาวันหลงอันหยาบไม่ได้หลงว่าจะล่วงละเมิดเช่นห้า ไม่ได้หลงว่าจะเล่นอบายามุกไม่ได้หลงว่าจะถือศาสนาอื่นไม่ได้หลงว่าจะขอดเวรกับท่านผู้ใดไม่ได้หลงว่าจะยินดีในศาสนาอื่นพระสกทาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอนาคามีไม่ได้หลงว่าจะมีความโลภอยางหยาบ ไม่หลงว่าจะเสียดายความโกรธเห็นโทษอย่างเต็มที่ส่วนพระหันความหลงสิ้นเชิงไปแล้วไม่เสียดายอยากหลงเลยถึงจะทำให้หลงมันก็ไม่หลงเพราะชนะมันไปแล้วท่านอยู่ในอิริยาบทใดท่านไม่ได้ติดอยู่ในอิริยาบทนั้นท่านก็ไม่หวาดเสียวในอิริยาบทนั่นด้วย เพราะท่านไม่หวังเอาแพ้เอาชนะในอิทิยาบทนั่นนไม่หวังเอาแพ้เอาชนะในความนึกความคิดนั่นนั้นไม่ได้หวังเอาราบเอายศในความนึกความคิดนั่นนั้นเป็นเรื่องสังขารตรงๆไม่ได้หวังจะเอาแพ้เอาชนะในความนึกความคิดนั่นนั้นท่านผู้คนไปแล้วไม่ได้หวังจะเสพติดในความนึกความคิดนั้น ยืนเดินนั่งนอนนึกคิดท่านไม่เป็นยาเสพจิตกับท่านเพราะท่านรู้เท่าทันความหลงของตนแล้วยืนไม่ได้ติดในยืนนั่งไม่ได้ติดในนั่งนอนไม่ได้ติดในนอนนึกคิดไม่ได้ติดในนึกในคิดพูดไม่ได้ติดในพูดไม่ติดในสรรเสริญในยนย่นยอไม่ติดในสุขทุกข์อุเบกขาใดใทั้งสิ้น ท่านผู้พนไปแล้วไม่ได้ระวังเลยเพราไม่เสียดายอยากกระถือเอาจะระวังทําไมถ้าเสียดายอยากกระถือเอาก็เกรงว่ามันจะหลุดมือนี่ไม่ได้สําเสียดายอยากกระถือเอาอะไรมันก็ไม่เกรงว่ามันจะหายข้าพเจ้าจะนึกยังไงจิตของข้าพเจ้าจึงจะดีกว่านี้ท่านก็ไม่ได้นึกอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทํายังไงจิตของข้าพเจ้าจึงจะดีกว่านี้ท่านไม่ได้นึกอย่างนั้น ว่าท่านพ้นไปแล้วใจเป็นแต่สักว่าใจผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นแต่สักว่าผู้เห็นท้าไม่ได้ยืนยันว่าผู้เห็นเป็นตนตนเป็นผู้เห็นไม่ได้ยืนยันว่านั่งเป็นตนตนเป็นนั่งไม่ได้นยืนยันว่าพูดเป็นตนตนเป็นพูดไม่ได้ยืนยันว่านึกเป็นตนตนเป็นนึกไม่ได้ยืนยันว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นศูนย์เมื่อท่านมายืนยันอันใดทีนี้ สิ่งเหล่านั้นท่านก็เป็นขัวแพ้ขัวชนะว่ามันจะหายไปไหนเมื่อท่านไม่สําคัญตัวมีอยู่ในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วท่านจะสําคัญตัวว่าท่านเสียหายอะไรท่านก็ไม่ได้สําคัญเพราะท่านผู้พ้นไปแล้วพวกเรายังมาทันพ้นไปก็สําคัญคันอนนั้นอันนี้อยู่อย่างนั้นแหละปรุงแต่งแท่งสรรอยู่ท่านไม่สําคัญตัวใดๆในที่อธิยาบทใดๆเลยจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าก็ตาม มันก็เป็นเข้าอยู่เพราะศุญย์เตาเวโมกอันนี้มิตตาเวโมกอามาอย์อภิหิตตาเวโมกเพราะจิตของท่านว่างไปหมดแล้วว่างจากทัตย์จากบุคคลตัวตนเราเขาไปแล้วว่างจากความแพ้ความชนะไม่สําคัญตัวว่าเขียนเมื่อท่านไม่สําคัญตัวเขียนท่านก็ไม่สําคัญตัวว่าจะรบเมื่อไม่ท่านสําคัญตัวว่าท่านได้ท่านก็ไม่สําคัญตัวว่าท่านเสียห น, นักเมื่อไม่ท่านสําคัญตัวว่าท่านกรรมท่านก็ไม่สําคัญตัวท่านวาง มันเมื่อท่านไม่สําคัญตัวว่าท่านเกิดท่านก็ไม่สําคัญตัวว่าแก่เก็บตายก็มอบเป็นเรื่องสังขารหมดมท่านก็เลยอยู่เหนือความหลงของตนไปสักมันเหนือเองมันไม่ได้สําคัญว่าอยู่ทำแท้ของพุทธศาสนาก็ไม่มีมากที่มันมีมากทําไมมันถึงมีมาก ก็เพราะมันหลงมากมันก็ไม่มีมากสิถ้ามันไม่หลงมากมันก็ไม่มีมากถ้ามันเห็นไปเป็นแต่สักว่าสังขารทั้งทั้งใจโลกธาตุปัญหามันก็ไม่มีทำไฟเกิดไฟดับก็มีแต่สังขารและลวดทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็เป็นพระนยพานเทิดไวสักท่านไม่สาคัญตัวว่าท่านอยู่ในพระนยพานหรือนอกพระนยพานไม่สําคัญตนวัดอยู่ในสังขารและนอกสังขาร ว่าท่านไม่สำคัญตัวในที่ใดๆแล้วเทนี้เหตุก็ไม่มีผลของเหตุก็ไม่มีนั่นเป็นธรรมท่านผู้พ้นไปแล้วทำสมาธิก็ไม่ติดอยู่ในสมาธิปัญญาเกิดก็ไม่ติดอยู่ในปัญญาไม่สำคัญว่าปัญญาเป็นตนตนเป็นปัญญามอบให้ปัญญาซะ ไม่สําคัญว่าศีลเป็นตนตนเป็นศีลก็มอบภัยศีลไม่สําคัญว่าสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิกามอภัยสมาธิไม่สําคัญตนนั้เป็นธรรมทำเป็นตนก็มอบภัยธรรมตนก็มอบภัยตนตามสมมติยมุติก็มอภัยยมุติตามสมตามเป็นจริงของยมุติถ้าไม่สอดแทกเอายมุตไม่สอดแทรกเอาสมมุติเห็นีหมความสอดแทกของท่านไม่มีวิญญาณปติสนติของท่านก็ไม่มีท่านก็พ้นไปแล้วนั่ะ เมื่อท่านไม่สำคัญว่าท่านได้ท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านเสียนั่นเมื่อไม่ท่านไม่สำคัญว่าท่านดีท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านชั่วนี่แต่พระอนาคามียังมีอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาพระอนาคามีเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขา เป็นผู้เลิศ hm กว่าเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาเนี่ยเป็นสามข้อเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาสําคัญตัวเสมอเขาก็เป็นเกเรียดเหมือนกันเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขามันเป็นหกข้อแล้วนะข้อละสามละสามทีนี้เป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา เป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเสมอเขานี่กิเลสพระนาคานีเป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขามันก็ถูกแล้วทําไมจึงมีกิเลสเพราะสําคัญตัวน่ะมันก็ถูกแล้วเป็นผู้เร็วกว่าเขาก็สําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาทําไมมันจึงจะผิดก็เพราะมันสําคัญน่ะน่ะ ถ้าผู้ใดยังเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้่อย่าไปสําคัญตัวว่าเป็นพระรหันเลยแผนที่มันอยู่นี้การเดินทางไกลไม่มีแผนที่มันก็ลําบากเดี๋ยวหลงทิศการมั่ววตกความตริในทางการไม่มีแก่ท่านผู้ใดพยาบาทไม่ตกความตริในทางพยาบาทไม่มีแก่ท่านผู้ใด มีเหงสาเวิตตกความตริในทางเบียดเบียนไม่มีเตี่ยท่านผู้ใดท่านผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนก็ตามถ้ากามเววิตกยังมีอยู่ตริในทางการส่งเสริมในทางกามพยาบาทวิตกความติในทางพยาบาทมีอยู่มีเหงสาเวิตตกความติในทางเบียดเบียนยังมีอยู่ความส่งเสริมในทางเบียดเบียนของตนเองยังมีอยู่ ความส่งเสริมในการมารมณ์ของตนยังมีอยู่ความส่งเสริมในโทสะรม์ของตนยังมีอยู่อันนั้นไม่ใช่พระอนาคามีถ้ามาอย่างนั้นแล้วจึงเป็นพระอนาคามีความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของท่านผู้ใด ย, ยังมีอยู่ที่นี่ต่ำลงมาอีกนี่ภูมิพปัสดานีความสงสัยของท่านผู้ใดยอยากจะล่วงละเมิดสิ้นห้ายังมีอยู่ความสงสัยของท่านผู้ใดยอยากจะเล่อบายมุกอยู่ ความสงสัยของท่านผู้ใดอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นะไรเนื้อสัตว์เทศต่วข้าเพาเป็นอาหารค้าขายนม้มาค้าขายยาพิษยังมีสงสัยอยู่ผู้นั้นก็ไม่ใช่พระโสดาบันมีเด็กคนหนึ่งอยู่ยะโสธรสองผัวเมียหน้าตาผ่องใสลุก ป, ปูลูก ป, ปู พวกลูกอยากได้พระสวสดาบันเอออยากได้พระสวัสดิวันก็เอาซะอย่าเสียดายอยากล่วงละเมิดเสียน่าอย่าเสียดายอยากจะถือศา ธ, ธดาอื่นอย่าเสียดายอยากจะแฉ่งสัตว์ให้มึงชิบหายกลความในจิตในใจอย่าให้มีมึงเถอะมึงทํากูอย่างนั้นแล้วมึงต้องจะเป็นอย่างนั้นกูจะสาแองให้มึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพระสวสดาบัน ที่นี้การค้าขายของพวกลูกๆมีอะไรบ้างค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษเออค้าขายยาพิษไม่มีร้องปู่ก็มีแต่เหกับอวนจะจัดเข้าเป็นเครื่องค้าขายเครื่องประหารประหารได้ไหมโอ้ไม่ก็จัดได้สิ แห้ววนเรื่องเป็นเครื่องประหัตประหารเหมือนกันเพราะเครื่องดักสัตว์มาฆ่าเออถ้าอย่างนั้นพวกลูกๆกับบ้านเนี่ก็จะเอาไปเผาไฟที่งหมดเขาบอกเขาเอาไปเผาไฟจริงเกราคาหกหมืนบาทตัวสำคัญอยู่อยงโสสองตัวสองพมีข้นนมๆอยู่ประมาณอายุสามสิบ มาสร้างกุฏิวันนี้สองหลังจะเอาอีกรังหนึ่งเป็นสองแล้วสร้างหลังเดียวสองพเมียหน้าตาผ่องใสหน้าตาแปลกเหมือนกันสองฝอยอยู่สารคามคนอย่างอีกมีสินห้าบริบู์เมื่ออยากได้อะไรเมียก็มีเงินพอได้ใช้บ้างแล้วแต่ไม่รวย ไม่ได้ภาวนาวันหนึ่งไม่อยู่อยู่ไม่ได้ต้องภาวนาหน้าตาผ่องใสนั่นก็ดีสอบพรมยนไม่ทะเลาะกันเลยสอบพรมยนี่เหมืนกันเขาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่กับน้องเราสังเกตดูเขามันกันเขาไม่มีหน้าตาบูดบึ้งใส่ใส่กันเลยเราก็สังเกตแผลๆอยู่เหมือนกันคนหนึ่งพูดแล้วก็แล้วกันไม่สวนกันเลย พองพมี อ, อย่างยะโสเชื่อยังไงเราก็ลืมสื่อเขาสะแเราก็สังเกตการไปการมาของเขาแปลกเหมือนกันเรื่องคนของคนอื่นเราเอามาพูดของดีก็เอามาพูดเป็นเรื่องอย่างของชั่วก็เอามาพูดเป็นเรื่องอย่างเพื่อจะไม่ให้ทำแบบอย่างเช่นพระเทวทัตก็เอามาพูดเอามาพูดทำไมเอามาพูดเพื่อจะไม่ให้เอาย่างอย่าง แต่มีการเอาย่างอย่างอยู่พระเทวทัตส่วนที่ดีของท่านก็มีอยู่ท่านจะได้เป็นพระพุทเจกอีกองหนึ่งแต่เราไม่ปรารถนาเป็นพระพุเทเจกีแค่เราก็เลยไม่มีความประสงค์ใช่ไหมแต่เราก็มาในหวังเพื่อพระโสดาบันเท่านั้นเราหวังเพื่อพนทุกพ้นหรือไม่พ้นเจตนาของเราก็อยู่อย่างนั้น บางท่านก็บอกว่าไม่พ่นดอกไม่พ่นดอกไม่พ่นดอกก็ตามก็เป็นหน้าที่จะปฏิบัติดอกเหมือนเก่านะะั่นแหะบางท่านก็มายืนยันเ่าไม่พ่นดอกไม่พ่นดอกไม่พ่นดอกก็จะพยายามปฏิบัติดอกอยู่างนั้นแหละปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่หวังพ้นทุกสําหรับกรรมฐานมันก็ไม่มีความหมายก็มีความหมายอยู่แต่มันไม่สมฐานะแบกกรดทายมุ่ง ปีนขึ้นภูขึ้นเผาเปลอฉั้นในบาทปลอเดินยังกรมปรลอย่องแกน่นขนปราอแต่เกีตนาไม่หวังพ้นทุกมันก็ไม่ถูกจะพ้นหรือไม่พ้นก็ต้องเกีตนาไว้เสียก่อนคนเราจะทําอะไรก็ต้องมีเกีตนาต้องมีความหลังเกีตนากับความหวังก็มีความหมายอันเดียวกันกับความต้องการก็มีความหมายอันเดียวกันนะักนางท่านบอกว่า ต้องการพ้นทุกข์มันไม่เป็นกิเลสหรือมันไม่เป็นกิเลสต้องการพ้นทุกข์มันเป็นกิเลสแต่ต้องการเล่นอบายวุหรือต้องการฆ่าสัตว์รักษ้าประพฤผิ ด, ผ ด, ผดในกาลนั่นเลยต้องการทําดีก็จะเป็นกิเลสมันก็ไม่มีข้อวัดนถึงแม้ <S <s เกี่ยวกักิเลสก็กิเลสอย่างเบาคนเราจะทําอะไรก็ต้องมีความประสงค์วัพูดอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีความประสงค์อยากจะให้เป็นธรรม ต้องการให้เป็นธรรมพุทธโธไม่ได้สอนให้มาโลภมาโกรธมาหลงธ ร, รมโมก็ไม่ได้สอนให้มาโลภมาโกรธมาหลงสังโฆก็เหมือนกันพุทธโธธรรมโมสังโฆสอนให้บรรเทาโลภโกรธหลงตลอดถึงเห่แท้หายไปธนวัตรศีลวัตรภาวนาวัตก็สอนเพื่อให้บรรเทาละโลภละโกรธละหลงนั่นเองให้พ้นไป ถ้าเห็นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างเต็มที่การที่จะยินดีในวัฏสงสารมันก็ไม่มีท่านมาถ้ามันไม่เห็นอย่างเต็มที่ถ้ามันไม่เห็นเสี่เลยการอยากกระพ้นจากทุกข์มันก็ไม่มีทำไมมันจึงไม่เห็นก็เพราะมันไม่พิจารณาทว่าหวงพ่อสาธนาบอกให้พิจารณาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนนอกเขานกกระทา เขาเอาน้าใส่กระบอกถอกน้าใส่กระลาให้เมื่อกินอิ่มแล้วก็เวียนกรงขังอยู่ไม่นอนใจเหมือนหมูผู้หวงพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ต้องอย่างนั้นจะมีลาบเสื่อมลาบสักเพียงไหนก็าตามเสื่อมมลดยดสักเพียงไหนก็าตามก็อย่าลืมเครื่องพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราอยู่ในทะเลทุกทะเลทุกกับทะเลหลงก็มีความลเอียดหมายอันเดียวกัน ข้ามความหลงต้องข้ามทางปัญญาข้ามด้วยเครื่องบินมันข้าไม่ได้จะเครื่องบินบินไปวันหนึ่งได้ตั้งรานโยธมันก็ข้าไม่ได้ข้ามความหลงด้วยความไม่หลงข้ามความนอนใจด้วยความไม่นอนใจข้ามความไห้ใจในวัฏฏทุสารด้วยความไม่ไห้ใจข้ามความเกลียดข้าด้วยความหมั่น ข้ามการเล่นๆก เ, เล่นผาด้วยความไม่ยินดีในเรียกในผาทำไมจึงไม่ยินดีก็พระเห็นว่าเป็ น, ป น, ปนทางชิบหายตรงๆถ้าสงสัยว่ามันเป็นทางเจริญอยู่มันก็ข้ามไม่ได้นั่นด้านภาวนาไม่สำคัญจะนั่งสิบวันสิบคืนก็ตามจะอดอาหารจนขุมผมขุมขนหล่นก็ตาม ถ้ายินดีในการฆ่าสัตว์รักรัพ ป, ประพฤติผิดในการอยู่อันนั้นมันก็ไกลพระโสดาบันเมื่อไกลพระโสดาบันก็ไกลสักขาคามีก็ไกลพระอนาคามีก็ไกลพระอรหันต์นะก็ไกลทางโล ก, กุตละก็มีแต่โลกีนวนเวียนอยู่ไม่เป็นที่อบอุ่นใจถามใจดูตนดูดูว่าเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจริงไหม หรือเอามาพูดรวงกินขนมเขาเฉยเฉยทำไมจึงเรื่อมใสพระพุทธศาสนาถามมันดูดูเพราะคำสอนในใรโลกธาตุไม่มีคำสอนใดๆจกเหนือพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ดิ่งลงเลยแกะไม่ออกนะทำไมจึงไม่ยินดีในโลกทั้งพวง พระเห็นโลกทั้งปวงเต็มไปด้วยกองทุกข์เกิดขึ้นแล้วก่อแปรปวนและแต่สลายอยู่ให้มีกลางวันกลางคืนนานาธาตุญาณรูธาต์ต่างๆธาตุที่ควรปฏิบัติก็คือกุศลธาตุธาตุที่ควรเว้นก็คือปาพาธาตุอินทรีย์ที่ควรปฏิบัติก็คือกุศลที่ควรเว้นก็คืออินทรีย์บาศ ินทรีย์แปลว่าใหญ่ไปในทางกุศลอินทรีย์แปลว่าใหญ่ไปในทางบาปขันยินดีในศีละขันหมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุติขันหมวดวิมุติวิวิมุตติญาณทัศนขันหมวดวิมุตติญาณทัศนะชีละขันสมาธิขันปัญญาขันก็ดีก็รวมลงมาในเอกขันในปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรม อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่เมื่อเป็นใหญ่ในบาปมันก็ทําบาปเมื่อขณะใจเป็นใหญ่ในบุญมันก็ทําบุญเมื่อเป็นใหญ่ในศรัทธามันก็มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์สัตตินทรีย์ไม่ได้ยินทรีย์นันก็มีความเพียรในพระพุทธธรรมพระสงค์สติินทรีย์มันก็มีสติระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์หรือกุศลพลบุญสมาธินทรีย์มันก็ตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงค์ ปัญญินสีมันก็มีปัญญาในพธประธรรมประสงค์มันก็อันเก่าไม่ใช่อันใหม่ใจอันเดียวนะแต่บัญญัติหลายอย่างใครเป็นผู้บัญญัติก็ใจเป็นผู้บัญญัติก็สติปัญญาเป็นผู้บัญญัติใครเป็นผู้หลงบัญญัติก็คือใจเป็นผู้หลงบัญญัติใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาใจเป็นผู้สมมุติสมมุติว่าใจก็ใจเป็นผู้สมมุติ เมื่อหลงสมมติก็คือใจเป็นผู้สงหลงสมมติะเมื่อไมุต first, it, ุดก็คือใจไม่ติดอยู่ในสมมุติอันเดียวกันสมมุติก็ใจเป็นผู้สมมุติไมุตุดก็ใจเป็นผู้หลุดจากสมมุติหนักสมมุติและไม่มุดไม่ได้มาเป็นมารเป็นยักษ์เป็นมาเราผู้หลงสมมุติหลงไม่มุดเป็นยักษ์เป็นมารแก่เราต่างหาก สังขารก็มาด้เป <ane fir> <variables> ็นยักษ์เป็นมารเราหลงสังขารเราเป็นยักษ์เป็นมารต่างหากกองทุกข์ก็มาด้มาเป็นยักษ์เป็นมารเราหลงกองทุกข์เราก็ะมาเป็นยักษ์เป็นมารต่างหากเรารู้แล้วกองทุกข์มันก็มีประจำโลกเราไม่รู้กองทุกข์ก็มีประจโลกเราเรารู้เท่าดินดินก็มีอยู่ในโลกเราไม่รู้เท่าดินดินก็มีอยู่ในโลกแต่ความหลงเป็นเป็นภัยกับผู้หลง ไม่ได้เป็นภัยกับันอื่นใครหลงก็เป็นภัยกับคนนั้นใครไม่หลงก็ไม่เป็นภัยกับตัวคนนั้นตอนไหนๆก็เหมือนกันเอารักเอวังที่เหนื่อยแล้วเทศไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาใจนี่เองส่งมันหนีมันก็ไม่หนีมันก็มาหาใจเพราะใจเป็นผู้พูดเพราะใจเป็นผู้ทำทำดีก็ใจเป็นผู้ทาทำชั่วก็ไปเป็นใจเป็นผู้ทามันไม่มีอันอื่นที่ จะไปตูอันอื่นก็ตูไม่ได้จะไปให้คะแนนนันอื่นก็ไม่ได้อีกพุทโธทั้งหมทั้งโก มาตัมกะชามาเทเลปมาเดนาดวาระใจนัตั้งสามัะราธานะตุลกันเตมมาเทเลปมาเดนาดวาระใจนัตัคคาภะราธานะตุลันเตมมาเทเปมานา ดาวารัเวะะตเจนกตังสังบังอภารังคามอิมุันตมหาเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผมพอได้ยินพวกท่านบอกว่ามหาเถรประมาเด่นะคิดของผมก็ส่งต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ตัดตุนไว้ ไม่ได้ตัดตุนไว้ไง่ายๆหรอกพวกเราทําวัดเพื่อพระเนรานไม่ได้ทําวัดเพื่อแก้หน้าหรอกมหาเทระชั้นที่สองคือพระพุทเจกมหาเทระชั้นที่สามคือพระหันตาสีนาศมหาเทระชั้นที่สี่คือพระอนาคามีมหาเทระชันะนาาะ้นที่ห้าคือพระสกทาคามีมหาเทระชั้นที่หกคือพระโสดาบัน เมื่อพวกเราทั้งหลายถ้าทำผิดพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่ในพักก่อนๆ ก, ก็ดีปัจจุบั น, นชาตินี้ก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีด้วยเดชพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงพระมหากรุณาให้อภัยโทษแก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลนชุดท่ายพวกเรา ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรและพุทธศาสนาของระสมารสุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดที่นี่ในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั่วทั้งไตโลกธาตุที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่มาในที่นี้ก็ดีนบทำจำนงุงเขารับทำอันไม่มีเวณีภยัยพวกเราทั้งหลายขอทำวัดทั่วทั้งไตโลกธาตุ อย่าได้มีเวเนภัยแก่กันและกันทุกทอนหน้าทั่วทั้งไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อเทินห้างตุมเฮหิปิเมฆไม่ตบ า, าบังยักสะป่าพังกะตังกรร ม, มังกุสเรนยนภัยยติโสมังโูกังปพาเจติอภุมุตโตวัชันติมาอภิวาทนาเสริสะาาาันิจังวุฒาปจาเยโนจัตตารุธร ม, มาวัทันติอายุวันโนส ข, ขังภะลัง เราโอ น, นรธรรมวัดขึ้นถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์โอนธรรมวัดขึ้นถึงพระนรพานมันก็มัดเรื่องเราก็ไม่ประมาด้วยเพราะเราไม่ได้กักตุนไว้ถ้าเราจะกักตุนไว้เราก็ต้องประมาสิเราไม่กักตุนไว้โอนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์โอนถึงพระนรพนานด้วยทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมู่กดทักกดพวก ก, พว ก, ก็ตั้งมาอยู่อู่ของทำไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปในธรรมในที่รับพระบรมาศาสด า, าไม่ได้ยืนยันว่าตำรวจทหารเป็นผู้ปกครองโลกนะครับลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณู จาตราอาวุธเป็นเครื่องปกครองโรคพระพุทธศาสตร์พระบรมศราสดาไม่ได้ถืออย่างนั้นถือว่าความละอายต่อบาปคือเฮติความละโอดตปะความเสื่อมกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ถ้าโรคนี่มีทำสองประการในประจำใจอยู่แต่ละท่านแต่ละคนแล้วเรือนจำก็ไม่ต้องมีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากก็ตั้งแต่เพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าขายเท่านั้น ที่เจียวกับภาษีอากอรท่านเหลือนอกนั่นไม่ได้ตั้ง